อ๋อมีความสุขกันทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวัวนเสาร์วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิ บ, ส, บสามน้อจำวันเดือนปีไม่ค่อยจะได้แล้วแก่แล้ว <c oughs> นี่เช้านี้ก็อากาศสดชื่นดีญาติโยมก็พากันมาเขาวัดทําบุญกันเยอะไม่ว่าอยทินไหน ในประเทศของเรามีโอกาสก็ได้ทำบุญให้ทานถวายทานมีศรัทธาเชื่อมั่นในปรตตัตนาไตยแล้วก็ปักไฝ่ในการทำบุญในการให้ทานอันนี้มีเป็นพื้นฐานมาแต้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตื่นขึ้นมาเขารีบอยากจะทำบุญอยากจะให้ทานเป็นกิจวัตร อยากทําบุญใส่บาตรตักบาตรอยากทําบุญให้ทานกับพระคุณญาติก็ได้พากันมาตามหลักของความเป็นจริงแล้วเราพยายามทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความขยันมันเพียนความรับผิดชอบความเสียสละรู้จักวิเคราะห์พิจารณาอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจอะไรคืออาการของความคิดอาการของขันหา้า มีกันทุกคนถ้าเรารู้จักจำแนกแกกแกงรู้จักเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราทั้งพระทั้งโยมทั้งขีพระเราก็เยอะขีเราก็เยอะลูกเนนมาปวดใหม่ก็มีหลายคนพยายามพิจารณาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้พิจารณาปฏิสังขาโย ο, กับประมาณในการขรบฉันน้องตัวเรากายเกิดความหิวหรือว่าใจเกิดความอยากอันนี้มีกันทุกคนเราต้องพิจารณาดูอันนี้กายนี่จะเกิดความหิวเพราะากายก็ต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนใจนั้นจะเกิดความอยากยิ่งกายหิวเท่าไหร่ใจก็เกิดความอยากรุนแรง เราพยายามควบคุมรู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์อบรมใจเจริญสติปัญญาเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจยอมรับความเป็นจริงใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามที่พูดกันเยอะๆที่ได้ยินได้ฟังกันในขันห้านี่มีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันนะ ทำไมท่านถึงว่าเป็นกองเป็นขันกองกองรูปกองร่างกายตัวกองวิญญาณก็คือตัวใจความคิดอารมณ์ต่างๆบวกกันเข้าร่วมกันเข้าเป็นห้ากองท่านให้เจริญสติรงที่กายของเราแล้วก็หัดสังเกตจนใจของเราแยกออกจากกัน5มองเห็นเป็นสามส่วน ตามดูอีกให้ใจรับรู้อีกว่า เ, เป็นส่วนในบ้างบางทีก็เป็นเรื่องอดีตก็ mm hmm. เ, เรียกว่ากลองของสัญญากองสังขารกองวิญญาณกองรูปกล่องอออวิญญาณเ็กล่องใจของเราแต่จะไปมองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นเราต้องฝึกเจริญสติเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจึงจะตื่นขึ้นมา เรามีความขยันหมั่นเพียรอยู่ระดับไหนเรามีความเชื่อสละอยู่ระดับไหนเรามีการปักป่มีการสนใจใจของเรามีความอ่อนน้อมทำตนใจของเรามีพร ม, มีหารมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีความคิดเกิดจากส่วนไหนเกิดจากส่วนใจหรือว่าส่วนปัญญา แม้แต่ส่วนปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเป็นอกุศลเราก็ต้องให้ดับอีกให้อยู่ในกองกุศลเอาไวา้ในหลักธรรมจริงๆไม่มีอะไรแต่ความมีความเปลี่ยนนี่ใจหลงมาตั้งนานหลงมาเกิดตั้งแต่ความเกิดก็ปิดกั้นตัวใจเอาไว้หลงมาเกิดอยู่ในพบมาสร้างพบมนุษย์แล้วก็มายุดติดแล้วก็กายเนื้อแตกลับก็ ขึ้นอยู่กับวิบากของกรร ม, มกรรมกุศลกรรมหรือว่าอากุศลกรรมที่เราสร้างมาในหลักธรรมล้วท่านให้ละให้หมดแล้วก็ยังกุศลให้เกิดขึ้นแต่ไม่ยึดอยู่เหนืออยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมกรรมในกายของเราคือเรื่องของขันธ์ห้าก็เรียกว่าตัวกรรม ถ้าเราแยกแยะได้ตามดูได้ละได้ขันห้าก็ตามไม่ทันก็เหลืองแต่ส่วนรูปกรรมกับตัววิญญาณหรือว่าตัวใจถ้าเราศึกษาดีๆจะเห็นอะไรดีๆเยอะพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านค้นพบมานานหลายร้อยหลายพันปี ความจริงสัจธรรมยังอยู่ยังมีอยู่ทำกับโลกก็ยังมีอยู่รูปกับนามก็ยังมีอยู่วันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีพบหน้ามีคำว่าพบชาติตอนนี้เราอยู่ในพพมนุษย์อยู่ในชาติมนุษย์จึงก็เกิดมาแล้วความเกิดนี่นแหละคือความหลงอารมลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด ทีนี้การได้เกิดมาแล้วท่านก็ให้เจริญสติลงที่กายจำแนกแจกแกงจนกว่ากาลังสติของเราจะมีความเข้มแข็งกล้าหาญใจอยู่ในโอวาทของปัญญาของเราชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบงมงายเราต้องปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงที่เหตุที่ผลได้เหตุผลทางด้านรูปธรรมก็มีเหตุผลทง า, าทลทงด้านนมามธรรมก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดท่านชี้ลงที่ต้นเหตุแล้วก็ถอนรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกหนู่นไม่ต้องกลับมาเกิดตราบใดที่ยังเกิดอยู่ก็ขอให้เกิด่อยูใ น, ในกองบุญว่ายจิตใจของคนนี้ แต่และ ว, วันความเกิดทางด้านรูปกายนี่ก็เกิดมาตั้งหลายปีทีนี้เกิดทงดาดทงด้านจิตใจนี่เกิดทางด้านจิตใจนี่ตั้งแต่เช้ามาเกิดสักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากใจโดยตรงเราก็พยายามเจริญสติเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าถึงเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเราไวา้รู้จักการให้ทานการให้ทานการอานุเคราะห์การช่วยเหลือ ทานระดับสมมติทานระดับวิมุติทานอารมณ์ทานความคิดทานกิเลสทานวัตถุซึ่งของต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ต น, นประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดวันนี้ก็มีผู้ใจบุญได้มาทําบุญให้ทานจะได้มาทานกระเป๋าจากจากครอบครัว ของสุขทะเลตูมีใจบุญจะได้เอากระเป๋ามาแจกพี่น้องของเราให้เกิดประโยชน์เอาไปไว้ใส่ของต่างๆเพื่ อ, อไม่ให้ใส่ถุงพลา ส, สติกเจ็บไม่ใช้ได้หลายได้เป็นปีก็ที่วางอยู่ข้างหน้าเป็นกระเป๋าอยางดีกระเป๋ายางดี ค่อยญาติโยมเราค่อยมารับเอาคนละใบคนละใบเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายดังจากพระขุนเจ้าให้พรเสร็จค่อยมารับเอาแจกกันหรือคุณหมอเอามาไปแจกเลยก็ได้เอาไปแจกคนละใบละใบผู้มีจิตเป็นกุศลอยากได้ทำบุญให้ทานกับพี่กับน้องของเรานี่แหละจะได้เกิดประโยชน์ แล้วก็ลูกหลานทางโรงเรียนอะไรนะสาธิตเโรงเรียนสาธิตประมาณทักกี่คน13คนก็ได้มาบำเพ็ญต้นก็ให้พากันช่วยกันปลูกต้นไม้ที่หลวงพ่อได้เอามาไว้ต้นชมพูพันทิพตต้นกันลับประพฤกประมาณทัก2องสา0พันต้น ถึงหให้ปลูกไล่ตั้งแต่หน้ากุฏิทางเอเอเอเอลงกระต่ายไล่ไปจนถึงสุดฝั่งถนนแล้วก็ไล่ลงไปถึงจุดบ่ อ, อพระเนนเนนเราก็ช่วยกันพระเราก็ช่วยกันจะได้ต้นไม้จะได้เติบโตในวันข้างหน้าจะได้ออกดอกออกผลให้หน่าอยู่น่ารื่นรม ถ้ามีต้นไม้เยอะๆความเย็นทางสมมติก็เย็นออกแออกเดินเพียงแค่ออกประตูวัดอากาศก็ไม่เหมือนกันใครเข้ามาในวัดก็มีตั้งแต่ความร่มรื่นร่มเย็นสดชื่นช่วยกันปลูกปลูกแซมป่าเข้าไปเลยปลูกเข้าไปเลยแล้วก็พยายามแก้ทุงพัสติ ก, ออกด้วยเราเคยปลูกเดี๋ยวเทวดาจะมาช่วยเลี้ยง ไล่เรียงลงไปตั้งแต่ข้างกงกระต่ายไล่ลงไปถึงขอบถึงขอบถนนแล้วก็ไล่ลงไปถึงขอบบอ่อทางด้านฝั่งทางทางสะใหญยพระเราก็ช่วยลูกเนน ช่วยกันเป็นผู้นำช่วยปลูกด้วยอาจารย์โกรหรือว่าใครหลายคนหลายท่านที่มีกำลังพาลูกเนนพาเด็กนักเรียนปลูกเห็นว่าทางคณะอะไรนะรปอปภเลยเรปอปภจากไหนนะอรปอปภจากกรุงเทพประมาณทักกี่คนหลายร้อยคน วันละร้อยคนมากี่วันมาสองวันมาพักวัดด้วยไ้ยเนี่ยไม่ได้พักจะมาบาเพ็ญประโยชน์มาวันนี้นะก็ไม่ต้องไปปลูกหมดเท่าไหร่เอาเก็บต้นไม้ไว้ให้พวกรอปรพอมาช่วยกันปลูกจะได้มีอะไรทำเห็นว่าจะมาวันละร้อยกว่าคน มาช่วยกันปลูกให้เต็มป่าฝั่งทางด้านตะวันออกต้นชมพูพันทิบต้นไม่ใหญ่หรอกประมาณเม็ดหนึ่งปลูกง่ายส่วนต้นชมพูพันทิบที่ปลูกอยู่ที่ปักธงชัยอ น, นั้นจะเป็นต้นขนาด2องนิ้วทั่วหัวเราต้นใหญ่บางทีก็สมนิ้วสี่นิ้วปลูกไปแล้วประมาณสา0พันกว่าต้น ญาติโยมก็ช่วยกันไปปลูกที่ปักธงชัยที่จะทำาเป็นเจดีย์ใหญ่อยู่กลางลานดอกไม้กำลังให้โยมส่งต้นนางพญาเสือโคร่งมาอีกประมาณ 3-4 สี่พันต้นต้นขนาดสองนิ้วก็จะได้พากันลงไปปลูก ให้เป็นดงดอกไม้ในวันข้างหน้าที่จะทำเจดีย์ใหญ่อยู่ที่ปักตรงใจนี่ปลูกต้นเอ่ที่เป็นดอกต้นการลประพึกต้นชมพูพันทิบต้นานางพญาเสือโครง่งประมาณ500กว่าไร่จะให้เป็นดงดอกไม้อยู่ใจกลางของประเทศนี่ภายใน1ิบปีถ้าพวกเรายังมีกำลังมีลมหายใจก็คงจะมีโอกาสได้ไปชม เดี๋ยวนี้ก็เริ่มปลูกกันได้สองามพันต้นจัดให้เป็นระเบียบทำให้เป็นระเบียบทั้งขุดบ่อขุดสะทมที่ที่จะทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่สร้างมหาเจดีย์ใหญ่หลวงพ่อก็ได้ลงไปวางศิาลาฤกิกวันที่เกาที่ผ่านมาญาติโยมก็ไปกันเยอะหน่วยงานต่างๆพวกข้าราชการหน่วยงานทหารก็รได้ไปช่วยกัน จะได้ทำให้เป็นแหล่งบญใหญ่อีกสักจุดหนึ่งมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเราไปร่วมกันไปช่วยกันจะปลูกต้นไม้ก่อนแล้วก็ถมที่ถมที่เดี๋ยวนี้ถมที่ได้ประมาณสักเกอซขุดบ่อไปหลายบ่อถมที่สวยงามมากทีเดียวมองจากข้างบนลงมาเห็นปักธงชัยหมดอากาศก็ดี โอกาสภายในห้าปีสิบปีถ้ายังมีลมหายใจก็คงจะได้ไปเห็นไปชมไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดเราก็ช่วยกันทำส่วนมหาเจดีย์อยู่ข้างล่างก็ให้ช่า่หน่วยช่างพากันทำไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะขึ้นเสาถึงชั้นแรกเทคานกลางอยู่ทั้งญาติโยม พ่อมีจิตอาสาก็มาผูกเหล็กมัดเหล็กช่วยกันพวกช่างก็มาวันละ30มสิบคนมาร่วมกันมาช่วยกันดําเนินไปเรื่อยๆสวนต้นไม้ดอกไม้ต่างๆก็ให้ปลูกแซมป่าไปได้เลยให้ปลูกแซมป่าไปเรื่อยๆต้นไม้ก็อยู่ฝั่งตะวันออกที่สลาพระยกของเราปลูกเอาไว้เทวดาก็จะมาช่วยเลี้ยงมีโอกาสได้ทําบุญมากมาย จึงจะ ต, ตื่นขึ้นมาละความเกลียดคร้านสร้างความขายันสร้างความรับผิดชอบการกระทำของเรามีการกระทำข อ, องเราถึงพร้อมก็จะเกิดประโยชน์ทำไว้เถ่อในวันข้างหน้าพวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะไม่ได้ลำบากไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะให้มีตั้งแต่ความฉุกความร่มรื่นความร่มเย็นให้ปรากฏขึ้นณนะสถานที่ต่างๆส่วนการ <c oughs> บริจาคลงศพญาติโยมบางคนบางท่านก็มาร่วมมาช่วยที่หลวงพ่อได้อนุเคราะห์ให้กับคนตายก็มีลงศพผ้าขาวด้วยสองผืนอออดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็เงินโสดช่วยให้ในการทำศพศพละห้าพันเดี๋ยวนี้ก็ หมดไปแล้ว800กว่าโลมีโอกาสญาติโยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาร่วมอยากจะมาทำบุญซื้อเครื่องสังฆทานผ้าขาวผ้าไตหรือว่าดอกไม้ทุบเพียนที่มีอยู่ที่ร้านกำไรบุญ มามารวมมาช่วยกันอนุเคราะห์ให้กับพี่น้องของเรามารับเอาวันละลงบ้างสองลงบ้างแต่ละเดือนนี่ประมาณ 24-25 ศพอย่างต่ำปลาเข้าไปแ0 0กว่าลง800กว่าศพจะถึงเข้าพรรษาหรือเปล่านี่จะถึงพันมีโอกาสเราก็ได้ทำส่วนวันที่ยี่สิบ ที่จะถึงก็มีผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคออตัวหนึ่งมีโอกาสก็ให้ได้มาร่วมกันบุญมากก็เป็นของเราบุญน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนุโมทนาสาธุด้วยการเจริญสติของเราก็มีการวิเคราะห์ของเราก็มีแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้ปรากฏให้กระจ่างเกิดขึ้นที่ใจของเราตามแนวทางของพระพุทธองค์มองเห็นหนทางเดิน ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการเกิดมาทางกายเนื้อเราก็เกิดมาแล้วซึ่งเรียกว่าพบมนุษย์ทีนี้การเกิดทางด้านจิตวิญญาณละ่ะทั้งเกิดด้วยทั้งยึดด้วยทั้งหลงด้วยเราก็มาค่อยขัดค่อยคลายค่อยเอาออกจนใจของเราอยู่ในความบริสุทธิ์นั่นแหละคือบุญที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาเกิดกัน ดับความเกิดให้สั้นลงสั้นลงจนไม่เกิดจนเกิดตังแต่สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาไปทำหน้าที่แทนเพื่อยังประโยชน์ให้กับโลกประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าถ้าเราเดินให้ถูกที่ถูกทางเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เองอ่ะว่ากันตั้งใจรับพรกันครบกันไหมล่ะกระเป๋านีนอันหนึ่งอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรูรร้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระจบลายจมูกของเราให้ชัดเจน นั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปน ม, มือวังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเสียงก็สักแต่ ว, ว่าเสียงฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยเราพยายามสร้างความรู้ตัวตรงนี้และลงที่กายของเราไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นส่วนของกายหรือว่าเคลื่อนไหวกายต่างๆถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตืต่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่ทุกกริยาบุตรเราก็จะรู้ลึกลงไปรู้ลักษณะใจใจที่เกิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรรู้ลักษณะของอาการของความคิดที่ผุดขึ้นมาใจขึ้นเข้าไปรวมได้อย่างไรอันนี้มีกันทุกคน การโน้มใจเข้ามาในกองบุญกองกุศลอันนี้ก็น้อมใจเข้ามาด้วยแรงบุญแรงศรัทธาแต่เป็นแรงบุญแรงศรัทธาที่ยังไม่สมบุรณ์แบบถ้าจะให้สมบุรณ์แบบจริงๆเราก็ต้องเจริญสติเข้าไปหมั่นอบรมใจหมั่นสอนใจของเราให้อยู่ในพรมเบหารให้อยู่ในความเมตตาให้อยู่ในความเชศละให้อยู่ในความบริสุทธิ์ ส่งความบริสุทธิ์หรือว่าส่งความว่างเอาความว่างไว้เป็นอารมณ์ว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากใจที่คลายจากขันห้าซึ่งมีกันหมดทุกคน แต่การเจริญสติเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองจะต่อเนื่องให้เห็นผลหรือไม่เท่านั้นเองเราก็ต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความหมายของการเจริญสติหมายถึงจุดหมายปลายทางคืออบรมใจของเราให้ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ละกิเลสออกให้มันหมดอยู่ด้วยปัญญาร่วน ถึงเราใจจะไม่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ให้อยู่ในกองบุญเอาไวา้เป็นข้าพวพกข้าหอ่อติดตามตัวของเราการทำบุญให้ทานความเชส้ละจากภายนอกส่งถึงภายในมันแก้ไขเรามันพัมสอนเราถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็มไม่มีใครที่จะสอนเราได้เลยนอกจากตัวของเราแนวทางนั้นพระพุทธองค์ทันได้ค้นพบการเจริญสติลักษณะของการเจริญสติเป็นอย่างนี้ความ ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้เห็นเหตุเห็นผลเห็นใจที่ปกติใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากหรือว่าแยกรูปแยกนามจากขันหา้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะมองเห็นหนทางเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ตราบใดที่ยังไม่ถึงวาระถึงเวลาใจของเราก็ไม่คลายเหมือนกันนะ เพราะว่าใจยังปิดกั้นตัวเองอยู่ยังหลอกตัวเองอยู่ขันห้าก็ยังปิดกั้นใจอยู่เราต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดมีความเฉ ส, สละอย่างยิ่งยวดแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลอบรมใจของเราจนใจของเราอยู่ในอุวาสของปัญญาของเราจนเอาปัญญาไปใช้การใช้งานได้ อยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาขยันมันเพียนด้วยสติด้วยปัญญาทั้งพระทั้งโยมทั้งชีอยู่ร่วมกันเคยสร้างบุญสร้างอา น, นิสงส์ร่วมกันทั้งได้มาอยู่ร่วมกันหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกเรื่องที่ ผ, ผ่านมาได้มาช่วยกันยังสถานที่ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเราต่างอนุเคราะห์เ อ, อเื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอีกสักหน่อยก็ต้องได้พลดัพลดพรากจากกัน ไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนตายเพราะเป็นกฎแต่ลักกฎของความเป็นจริงทุกคนจงอย่าอยู่ด้วยความประมาทจงพยายามผัดวิเคราะห์สังเกตจนรู้จักหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันนะอย่าพากันประมาทมันสร้างบุญสร้างกุศลมันสังเกตวิเคราะห์ อ, อบรมใจของเราจนถอนรากถอนโคนของความเกิดคือไม่ให้ใจของเราเกิด นุนกำเนังสติปัญญาไปเกิดแทนแต่เวลานี้ใจของเราเกิดมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ท่านก็พยายามให้ชี้ลงที่ในภพของมนุษย์นี่แหละในขันห้าของเรานี่แหละว่ามีอะไรบ้างคาว่าปัญญาในขันห้าของเราเป็นอย่างไรใจที่ปาสจากกิเลสเป็นอย่างไรการเจริญสติเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรวิเวกจากการเกิดวิเวกจากกิเลสหรือวิเวกจากสมมติ อะไรคืออัตราอานัตตาอานิจจังทุกครั้งอนัตตาในขันห้าละกิเลสหยาบจนไปหาละเอียดจนเข้าถึงฐานคงใจสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางการอาวสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันจากนี้นิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํานะปากกันไหวปาพบพอมกันค่อยไปทําความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท